แก้ความเข้าใจความหมายของบุญที่แคบและเพี้ยนไปบุญกุศล น, นี้มีทางทำให้เกิดขึ้นได้มากมายแต่ข้อสำคัญอยู่ที่จิตใจของโยมเองแต่เมื่อเราต้องการให้จิตใจผ่องใสอะไรจะมาช่วยทำให้ผ่องใสได้ตอนนี้เราอาศัยพระประธานแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า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 ก็เป็นบุญมากขึ้นถ้าปฏิฆาหกเป็นคนไม่มีศีลเช่นเป็นโจรผู้ร้ายเราก็ได้บุญน้อยเพราะดีไม่ดีให้ไปแล้วเขากลับอาศัยผลจากของที่เราให้เช่นได้อาหารไปกินแล้วร่างกายแข็งแรงก็ยิงไปทำการร้ายได้มากขึ้นกลับเกิดโทษวัตถุสิ่งของที่ถวายถ้าบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริต